เราปฏิบัติรรมาจิตใครยังไม่เป็นสมาธิก็พยายามทาก็พยายามทามาแล้วแต่วันนี้จะเทศเรื่องวิปัสนาคือหลักของการเอาจิตสงบอันนั้นแหละไปพิจารณาตัวตนของเราพิจารณาว่าตัวของเรานี้ ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่คือรูปคือร่างกายของเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟดินน้ำลมไฟให้เราพิจารณาดู ตัวของเราที่แข็งแข็งทั้งหลายมีเนื้อหนังมังสากระดูกเหล่านี้อันนี้เป็นของไม่เที่ยงน้ำก็เป็นของไม่เที่ยงไฟก็เป็นของไม่เที่ยงดินน้ำลมไฟลมก็เป็นของไม่เที่ยงไฟก็เป็นของไม่เที่ยง ร่างกายของเรานี่ไม่เที่ยงสักอย่างเกิดขึ้นมาได้แก่เก็บตายไปทุกคนให้เราพิจณาให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ให้หลงในตัวตนคนเราเขาทั้งหลายเลิกความยึดมั่นถือมั่น ความสำคัญมั่นหมายต่างๆทุกอย่างวางไปอย่ า, าไว้ให้เหลือแต่รู้อันเดียวถึงใช้ได้ให้รู้รู้ว่ากายเป็นของไม่เที่ยงกายนี้เป็นเกิดแก่เก็บตายทุกคนไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตาม มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งแค่ไหนก็ตามร่ลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตามถ้าถึงวาละแล้วยาอะไรก็กินไม่ถูกเพราะยาดีที่สุดเอามากินมันก็ไม่มีความหมายเพราะอายุไขมันหมดแล้วคือหมดอายุมนุษย์มันก็ต้องตายไปยาอะไรใส่ก็เก่งขนาดไหนก็ตาม ที่สุขก็ปล่อยวางขัดนั่นนี้ลงไปทิ้งลงไปเอาไปไม่ได้มีแต่บุญกุศลคุณงามความดีเท่านั้นแหละที่เราจะเอาไปได้ให้เราพิาจารณาอย่างนี้คุณงามความดีที่เราทำไว้นั่นแหละให้ทานรักษาศีลบาเพ็ญภาวนานี่แหละที่เราจะเอาได้เอาไปสู่ พบภูมิอื่นอีกได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้อีกได้เป็นคนมั่งมีสีสุขร่ลำรวยเพราะอะไรเพราะว่าเรได้ทำทานะบรัลรมีไว้ทำไมเราจึงสวยสดงดงามอันนี้รักษาศีลอาการครบสาสบสองให้พิณาเข้าไป พีนาเห็นเห็นความจริงเหล่านี้เมื่อเกิดมาแล้วเป็นเด็กอ่อนเด็กอ่อนก็ตายได้อายุห้าวบหกขวบพอรู้เรื่องรู้ภาษาพ่อแม่กำลังรักก็มีอันเป็นไปเนี่ยมันเป็นงั้น ส0 4สบปีตายแล้วก็มีห้าสบหสิบปีตายก็มีเจ8ดสบแปดสิบปีตายก็มีร้อยปีเซ็ตหมาเลยทำไมเป็นอย่างงั้นมันกำหนดมาแล้วนี่ถ้าเกิดขึ้นมามันก็ต้องมีทุกแบบนี้ทุกคนน่ะไม่เป็นอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่ง ลำบากใจต้องพยายามรักษาบริหารร่างกายตัวตนของเรานี่ด้วยยาด้วยอาหารด้วยข้าของที่ดีๆแต่ผลที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เพราะอะไรเพราะว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารคือมนุษย์นี่ก็ตามหรือสัตว์ที่เราสก็ตาม เช่นอย่างหมานี่มีอายุอยู่20ปีเอาไปหาหมอหมอเขาถามว่าอายุมันเลี้ยงมา ก, กี่ปีแล้วเลี้ยงมา20ปีแล้วโอ้ไม่มียาใส่แล้วมันอายุไขมันมเพียงเท่านี้อย่างไงมันก็ต้องตายคนเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาพิจารณาเพื่อประโยชน์อะไร เพื่อเห็นโทษเห็นทุกข์ของการเกิดหนีจากการเกิดก็คือดีได้ทั้งหมดก็คือเราได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาจิตเราสงบสบายเย็นไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลคอยดีขึ้นอันนี้ให้พยายามเอามาพิจารณาตัวตนของเราเนี่แหละ อย่าพิจารณาที่อื่นอย่างตัวของเรานี่ถ้าเอาเนื้อออกไปหนัองออกไปผมขนเอาออกหมดหนังเกาออกหมดเนื้อเกาออกหมดเอาไปวางไว้เป็นส่วนๆๆๆเดือยโคงกระดูก่ะไ้นอกนา้ก็กลายเป็นดีนไปโคงกระดูกก็อยู่ระยะหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปนั่นแ่ะ เราจึงเห็นชัดว่าคนเรานี่ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนอายุไขออกมาร้อยปีพระพุทธเจ้าแปดสิบปีปรินีผ่านพระอนุนร้อยยี่สิบปีปรินีผ่านพระสาลีบุตรพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันพระเถระผู้ใหญ่อยู่ได้เท่านี้เจ็ดสิบแปดสิบปีเก้าสิบปี คนก็มาขอพรให้อัตมาว่าโอ้ยขอให้ท่านมีอายุยืนไม่ว่ามันหกสิปีมันก็หมดท่าอยู่แล้วจะทำอะไรก็ยากนะเดินเหินก็ไม่สะดวกสมัยเป็นหนุ่สบายมากทำอะไรก็ได้ทั้งวันทำไรทำนาสารพัดอย่าง แต่พออายุมากขึ้นมันไปทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็เห็นความจริงว่าอันนี้จังนะมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เที่ยงเรามีทุกข์มากเกิดมานี่สารพัดทุกข์เลยบางคนอยากร้องให้นึกถึงโทษทุกข์ที่เราได้รับมาเราเบื่อหน่ายอันนี้แหละการที่เราเบื่อหน่ายนี่แหละ แต่ไม่ใช่ให้ฆ่าตัวตายยิงตัวตายนะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึ่งอย่าไปเอาอย่างนั้นให้คอยรักษาไปทนถนอมไปกินยา ก, กินข้าวปลาอาหารไปให้ร่างกายสังขารเนมันอยู่ได้นานเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ยังดีก็จะได้ความเพลิคุณงามความดีในระยะยาวแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เลย ทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ปฏิบัติจะไหลมาเป็นดีพึ่งนาก็พึ่งไม่ได้สวนก็พึ่งไม่ได้บัวควายเราก็พึ่งไม่ได้ลูกเต้าสามีภรรยาพึ่งกันไม่ได้เวลาความตายตายแทนกันไม่ได้เลยท่านจึงให้พิจารณาความจริงอันนี้ไว้ไอ้ดี อย่าไปพิจารณาที่คนอื่นะพิจารณาที่ตัวเราหละเป็นกองกระดูกกองเลือดเนื้อหนังอะไรต่างๆให้พิจารณาดูอยู่เอาไว้เอาไว้ก็เปื่อยเน่าผุพังไปมดกระดูกก็หลายปีเข้าก็ผุก่อนหมดสภาพไป หรือว่าเป็นกองกระดูกอยู่แล้วเอากระดูกอื่นมาอีกมาวางเรียงกันเรียงกันเราจะจําได้ไหมว่าอันนี้เป็นของเราสี่ปีเข้ามาดูเนี่ยอันนี้เป็นของเราหรือของใครเนี่ยอันนี้เป็นของใครกันแน่เนี่ยนี่มันเป็นอย่างงั้นเดี๋ยวมันไม่เที่ยงแหละให้พิจารณาเข้าไปพิจารณายัางไงล่ะวิธีภาวนาเน่ะ เอาจิตที่สงบแล้วไปดูหรือไปเพ่งพิจารณาดูว่าส่วนนี้เป็นเนื้อส่วนนี้เป็นหนังส่วนนี้เป็นกระดูกดูเข้าไปเอาจิตที่สงบแล้วมาพิจารณามาดูถ้าจิตยังไม่สงบหัดไว้ก่อน วิธีหัดก็มีมากมายตั้งสี่สิบวิธีเลยเราเอามาแค่วิธีเดียวคือพุโทโธไม่เอาทำโมไม่เอาสังโคไม่เอาอานาปาอื่นๆเราเอาพุโทโธอย่างเดียวครูอาจารย์ผ่าปฏิบัติมากก็พุโทโธนี่แหละครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านก็ได้ดีมีโสการพิจารณาไว้ให้ใจมีกําลังให้จิตของเราเนี่ย มีกําลังมากมากรหัสสมถาก่อนพอจิตเราสงบแล้วดีแล้วสมาธิก็สูงขึ้นแล้วถึงแม้จะไม่เป็นที่สุดคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอุปจาระสมาธินั้นถ้าพิจารณาก็เอาไปพิจารณาได้แต่ถ้าถึงอัปปนาสมาธิ เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันพิจนาของมันเองหรือมันเห็นชัดในตัวเลยเกิดวามเมื่อนายคายความยินดีขึ้นมาทันทีไม่อยากเกิดอีกแล้วอะไรเงี้ยนะขอจะให้ได้มาเกิดในโลกมนุษย์ลำบากระบนแล้เกินมันทนทุกสารมาทุกอย่างฝนตกก็มีน้ําขาดน้าเสียน้ําอะไรโอ้ยพระไม่ได้นอนเลยบางทีต้องไปต่อน้ำกลางคืนด้วยทนั้นนี่นั่นะ มันเป็นเรื่องของโลกย่างไงยังไงมันก็หนีไม่พน้นเราต้องรักษาตัวเราพิจารณาตัวเราให้เห็นชัดขึ้นมาให้มันสามารถปล่อยวางได้เห็นความเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้คนเราเกิดมาแล้วกี่ครั้งกี่หนก็ไม่รู้บางคนเกิดถึง เก้าสิบปีโอ้ยเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดถ้าได้ไปสวรรค์มันก็ยังดีหน่อยถ้าไปนรกสิมันลำบากใจนะถ้าไปนรกมันเป็นทุกข์เหมือนอย่างที่เทศให้ฟังนั่นแหละสันสีวานรกสังคาตานรก โลลูว่านรกมหาโลรู้ว่านรกตาปัดนรกมหาตาปัดนรกขุมที่แปดคืออวจีมหารนรกใครเราเป็นไปทุกไปตกไปนั่นความดีไม่ได้ทำไว้ไม่ปฏิบัติธําไม่ทำความดีกินแต่เหล้าเมาเบียมันจะจเจริญได้อย่างไรกินแต่เหล้าเมาเบียทำมาหากินก็ไม่ได้ติดเหล้าติดเบียไม่เบื่อไม่นาย หมดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เบียร์ไปลนังๆังก็สามารถกินได้ในสามสีสชั่วโมงมันหลงโลกเด่นหลงหลงมัวเมาประมาทความประมาทไม่ดีอ่ะใครประมาทแล้วคนได้ทุกข์อ่ะไม่ได้สัมฤทธิ์ประโยชน์อะไรเลยประมาทมัวเมาลุมหลง มันตกต่ำทั้งนั้นเนอะพวกนี้เดือดร้อนไม่มีสุขในใจบางทีก็กินเหล้าคุยกันไปคุยกันมาวันินทาพระ อ, อกรนั้นพระ อ, อกรนี่ดีงั้นดียงงี้งงว่ากันไปอีกเมาแล้วยังไม่พอยังหาบาปเพิ่มเติมอีกพระถ้ามีศีลอยู่เราไปทำหนี้ก็เป็นโทษ ถ้าท่านได้คุณธรรมแล้วเป็นพระยาบุคคลโสดาสกิธาคาราคารหันเราไปตั้มหนีตีเตี้ยนเข้ามันก็ต่ำได้เหมือนกันทำให้เรามีความเดือดร้อนได้เหมือนกันเพราะบาปเด้บาป บ, บ, บาปอกุศลเราต้องเลิกอย่าทำบาปอกุศลเพราะบาปเป็นของชั่วเป็นของให้เราตกต่ำ ให้พิจารณาให้ให้ดีสิ่งไหนควรละก็ต้องละสิ่งไหนควรบำเพ็ญก็ต้องบำเพ็ญถ้าไม่ละไม่วางมันก็เอาแน่ไม่ได้ชีวิตนี้สิ่งที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมเราไม่วางความชั่วเราจะเอาความดีมาจากไหนใจเรามีความชั่วอยู่ เราจะเอาความดีมาไว้ตรงไหนเพราะความชั่วมันท่วมหัวอยู่เราต้องชำระความชั่วไม่เคยให้ทานต้องให้ทานข้าวปั้นหนึ่งเม็ดหนึ่งก็ยังดีไม่เคยรักษาศีลศีลห้าศีลแปดก็ให้รักษาอย่างที่เรามาทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรารักษาศีลแปด ศึกไปแล้วหมดวาระอบรมก็รักษาสินห้าให้ดีสินห้านิเรนะสุขติันติสินทำให้เกิดในสุขติคือที่ดีคือสวรรค์สิเรนะโภคสรรมัมปทาสีเรนะนิพุติันติตัดสมาสีหลังวิโสสยนั่นภาวา การรักษาศีลี่มันดีพยายามชําระความชั่วออกไปจากใจเราเอาความดีเข้ามาไว้แทนที่คือให้รักษาศีลให้ภาวนาพวกเราได้บุญทุกอย่างเลยคนที่ไม่ได้ไม่มีที่มาในนี้ได้อะไรได้ศีลได้ภาวนาได้ปฏิบัติธรรมได้ให้ทาน เราทำดีมาตลอดแค่เกวันนี่นะก็ยังวิเศษอยู่แล้วถ้ายาวออกไปเป็นเดือนสองเดือนเราก็ยังงดทำชั่วได้สิ่งที่ชั่วได้ผิดศีลผิดธรรมได้เราละเลงได้ต่อไปเราก็ได้เป็นปีสองปีสิบปีจนถึงเราตายเราก็ไม่ทำความชั่วเราจะไปไหนก็บ่า เ, าเมันก็ขึ้นสวรรค์เลยไม่ตกต่ำ เหมือนก้อนหินเหรอโยนขึ้นฟ้ามก็ตกมาพื้นดินเหมือนเดิมทิ้งลงในน้ำก็น้ำก็เพื่อบแต่ก้อนหินนั้นมันลงไปอยู่ใต้น้ำแล้วนั่นแหละคนมีดีคนมีความดีคนได้ทำความดีย่อมมีความสุขคือไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจมีความเผิกบาน ไปสวรรค์ไม่มีทุกนะไปสวรรค์นี่เบิกบานใจสนุกทาบุญได้มากอยู่ได้นานไม่ได้จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์สเสวยสุขอยู่ในสวรรค์สวรรค์ก็มีอยู่หกชั้นสวรรค์น่ะมีหกชัน้นญนะาตุมหาราชิกาชั้นที่หนึง่ง ดาวดึงที่สองยามาที่สามตสิตาที่สี่นิมานดีที่ห้าปริณิตาสวัสดีที่หกสวรรค์มีอยู่หกชั้นในสวรหกชั้นนี้รองรับพวกเราแล้วพวกเราที่มาทำอยู่นี่ ต่ับไปก็ทำแต่สิ่งที่ดีๆให้พิจารณาตนให้เห็นโทษเห็นโทษความเกิดความแก่ความเก็บความตายนีจากโทษไปสวรรค์ไปนิพพานถึงความสุขอันแน่นอนเรียกว่าอมรถธรรมถึงความสุขในใจตลอดไม่ตายไปไหนมันอยู่กับใจของเราตลอดเลยอันนี้ทำความดี อันนี้ก็เหมือนกันรัวเราไม่เที่ยงเราจะอยู่เฉยๆได้ยังไงต้องทำความดีให้มากที่สุดอยากคิดว่าเออเราทำสิ่งนี้ไม่ดีเราคิดว่าเราทำสิ่งที่ดีแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเราพยายาาิจารณาใานี่ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะครูบาอาจารย์สอนอยู่นะให้เราพยายาิจารณาเราอยู่ที่ไหนก็เราพิจารณาดูก่อนจะพิจาราก็ทากิจให้มันสงบก่อนพอกิมันสงบ สบายขึ้นแล้วก็หอยพี่นาดูพารณาถึงโทษถึงคุณถึงแนวทางที่จะหนีจากกองทุกเราก็สามารถที่จะทำความสุขความเจริญให้กับตัวเองได้พิ่เจรนานเป็นหรือยังถ้ายังไม่เป็นให้ทำตามพารณาในสังขารทั้งหลาย มนุษย์ก็ดีต้นไม้ภูเขาก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวตนของเราจริงๆขาก็เหมือนกันแขนก็เหมือนกันคอก็เหมือนกันผมเหมือนกันไม่เที่ยงสักอย่างนี่เราพิจานณาอย่างนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงอันนี้ไว้เรื่อยๆ เราเกิดมานี่ไม่เที่ยงสักวันหนึ่งเราก็จากกันไปตอนสร้างศาลานี่มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่หลายคนมาปฏิบัติธรรมก็มาช่วยสร้างศาลามีผู้ฝูงพิษเป็นต้นนาวาอากาศเอกเป็นหัวหน้าฝูงบินกองวิง23ยี่บสามพอตอนตกไบบ่ายก็เอารถ คลิปของท่านนั่นแหละพาคนมาพาเจ้านายนี่ น, นั่นมามาช่วยสร้างสระเพราท่านไปขอพอรจากหลวงพุทเทศหลวงพูทเทศบอกอาตมาว่าจะพึ่งสร้างสลาใหญ่นะอาตอมาก็ไม่กล้าสร้างเพราะครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้อย่างนั้นผู้หุงคิดจะทำไหมก็บอกว่าถ้าจะทําก็ต้องไปขออนุญาตหลวงพุทเทศก่อน ก็มาทำพระปูเทศก็ให้เงินมาสองมื่นอัตมาก็เก็บไว้วเงินสองมื่นเลเเป็นคนถูงงานไม่ขึ้นเลยแต่พอเอาเงินนั้นมาใช้อ่าวสาราเสร็จเลยจึงได้ว่าสาราปฏิบัติธรรมทำขึ้นมาเพื่ออะไรทำเพื่อใช้สำหรับอบรมวิธีปฏิบัติธรรมให้ญาติโยม แถวนี้หรือที่ไกลไม่ได้เป็นระเบียบแบบนี้หรอกอันนี้เป็นหน้าที่ของพระมหาภัยบูร์นท่านจัดการทุกอย่างรับคนร้อยยี่สิบคนคราวนี้มันรับร้อยห้าสิบคนหาที่นั่งไม่มีเลยน้ำก็ท่อแตกเรื่อยนานมันเที่ยงเด้อันนี้สลายไปได้เหมือนกัน คนเยอะๆอาบน้ำพร้อมกันท่อมันเล็กๆอ่ดไหลไม่ทันบางคนอาบครึ่งตัวก็มีนั่นอาบครึ่งเดียวล้างหน้าถูตัวนิดหน่อยอยู่เย็นๆอยู่สบายปรับให้มันเข้าที่เข้าทางคนเหล่านั้นที่มาทำฉลาตัวนี้ก็แก่เท่าตายไปเยอะแล้ว ตายไปเยอะเราก็เหมือนกันมาปฏิบัติธรรมก็อาศัยบา ร, รมีของท่านที่ท่านทำไว้เราก็แผ่บุญแผ่กุศลให้ท่านเพราะกว่าจะเสร็จเป็นสนาปฏิบัติธรรมได้ก็ยากแสนยากเราได้มาแล้วเราก็ต้องโอ้ถือโอกาสเลยเนี่ย ให้บำเพ็ญความดีไว้ตลอดอย่าเผออย่าคิดในทางไม่ถูกทำในทางไม่ถูกกับออกไปแล้วค่อยหัดพิจารณาบ้างว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายก่อนที่จะตายไปจากโลกนี้ให้เราได้ความดีเต็มหัวใจใเรา ได้ทําความดีเต็มหัวใจเราก็เชื่อเราได้ทําสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในตนแม้ว่าพิจารณานี้ไม่สามารถเป็นพระญาติาบุคคลชั้นสูงเราก็ยังได้บุญนะเพราะว่าทําตามคำสอนพรพุทธเจ้ามันเป็นการบูชาพุทธเจ้าอย่างยิ่งเลยนะให้ทานร้อยครั้งวันครั้งสู้รักษาศีลครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้ง่อนครั้งสู้ทํากิตให้เป็นสมาธิไม่ได้ นนัทํากิจให้เป็นสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาแยกส่วนต่างๆของเราออกจากกันในที่สุดเราก็จะสามารถชําระกิจที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นพระเยบุคคนก็ได้เป็นพระเยบุคคนขึ้นมาเป็นพระเยบุคคนแล้วเกิดอย่างชาติถืดเกีติชาติสุรบันมาทุกในมนุษย์นี่เกีตชาติก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ ให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอ ย, อ ย, ถ อ, ยอย่าหมดกำลังใจให้ต่อสู้ความดีก็ต้องต่อสู้อดทนทาเหมือนกันเพราะกิเลสมันพาไปราคะโทสะโมหะมันพาไปทีนี้เราไม่ไปตามมันราคะเราก็เอามักแปดมาใช้ลำเนินตามมักแปดเหมือนอย่างได้ฟังไว้แล้ว ให้ดำเนินตามมาร์กแปดให้จิตของเราอยู่กับมารกแปดาการกระทำของเราก็อยู่มารกแปดทั้งหมดนี่แหละขอให้ตั้งใจทำความดีอย่าทำความชั่วให้มันเข้าสมาธิให้ทารณาสังขารตัวตัวอันนีออ้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาไม่มีใครหนีพ้นจากความตาย ก่อนจะนี้จากความตายนี่ก็ขอให้ได้สร้างบุญไว้ให้มากๆก่อนไม่มีเงินจักบาทก็ามาสามารถมานั่งสวาธิได้ปฏิบัติ ท, ทําได้อันนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านทุกคนเป็นบุญเมตตส่ของพวกเราที่เราได้มาใช้ศาลาที่บรรพบุรุษหรือพวกเจ้านายทั้งหลายมาสร้างไว้ขอให้ท่านสูงส่งตลอดไปขอให้พวกเราบรรลุมรรคผล พ้นจากความทุกข์ตัง้งแต่บันดนี้เป็นต้นไปเถิด